เศรษฐีชาวกรุงราชครืถวายวิหารเวลาเช้าตรู่พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกทรงถือบาตรและจีวรเสด็จไปนิเวศของเศรษฐีชาวกรุงราชครืประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เศรษฐีชาวกรุงราชครึ่ได้นำของเคี้ยวของฉันอันประนีตประเค้นภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัตตาหารแล้วละพระหัตจากบาทจึงนั่งเฝ้าอยู่ณนที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่า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 ผู้มาแล้วและยังไม่มาเศรษฐีทูลรับพระพุทธดำรัสแล้วได้จัดถวายวิหารหกสิบหลังแก่สงจากทิศทั้งสี่ผู้มาแล้วและยังไม่มา